แม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนัดหรือไม่กำหนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนัดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดต้องอบัตทุกฎภิกษุณีรับประเคนตามคาของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉัน ต้องอบัตทุกขกฎฉันต้องอบัติทุลใจทุกๆคำกลืนฉันเสร็จแล้วต้องอบัตสังคาทิเศษคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกรรไกรคำว่าปัตถมาปฏิกะคือต้องอบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมโนพาตคำว่านิสรณนิยะได้แก่ทําให้ถูกขับออกจากหมู่ คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตนั้นทรงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษภิกษุณีส่งเสริมด้วยกล่าวว่าจงรับประเค็นน้ำและไม้ชาระฟันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีรับประเค็นตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุกกฎ